อันนี้หลวงพ่อกอ็ได้บอกแล้วก็วันพระ8ปดข้ามสิบภาคข้ามเลยหลวงพ่อจะต้องลงมารมและมาพูดเกี่ยวกับวินยัยเกี่ยวกับกฎและเบียบเกี่ยวกับข้อธรรมแล้ววันแนวความคิดของหลวงพ่อที่ได้ประสบะการณ์มาอย่างไรได้ศึกษามาอย่างไรแนวแถวของกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านพาปฏิบัติมาอย่างไรที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติมาหลวงพ่อก็จะได้นํา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 พวกท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติตนดางต่อไปนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะท่านสอนเลยแต่ทอสอนทีนี้พวกที่ีไม่เข้าใจให้พิจารณาสุภานะอสุภ า, ะนะภาก็ยังไม่เข้าใจอีกชื่อว่าอสุภาะนะันคืออะไรอีกมันก็เลยงงครับเพราะนั้นหลวงพ่อจะต้องพูดให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ถ้าท่านผู้ใดรู้แล้วก็หน้าลาคานเหมือนกันนะ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 พอกำหนดของเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองแล้วนั่นแนหะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนะั้นเป็นยังไงจะทํำยังไงใจจึงจะสงบนะกายสงบวาจาสงบใจสงบท่านว่าใจสงบนะถ้าใจสงบสัอย่างเดียวนะั่นแหะวาจาก็สงบกายก็สงบนะเพราะใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ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 อย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในเรื่องนั้นๆสารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สำรวมใจนั่นะเป็นผู้มีสมาธิให้สำรวมใจคือสมาธิเพราะนั้นให้พวกเราส ำ, สำรวมใจด้วยสำรวมกายวาจาด้วยทั้งมีสมาธิด้วยทั้งมีศีลด้วยอยู่ในตัวของเราอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นฝุขทั้งหมดน่ะ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 มาโดยความอดทนของเราโดยการสะแสวงหาของเรานถึงจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภเพราะเราได้มาโดยเป็นธรรมนะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร